แต่ไม่ใช่ตื่นตระหนกไม่ใช่คนง่วงเหงาหาวนอนไม่ช น, น, นไม่ใช่คนขี่เกีขี่คลานไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่คนถวะถว า, วามีความรู้ตัวอะไรควรทำก็รู้อะไรไม่ควรทำก็รู้ไอ้ไหนจะต้องเร่งก็รู้ไอ้ไหนจะต้องรอไปก่อนก็นรู้รู้ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าความไม่ประมาท นี่เอาความหมายหรือเอาคํจำกัดความไปก่อนที่นี้ไออาการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของสติทั้งนั้นแหละมันก็เลยมีสิ่งที่จะต้องรู้ในหัวข้อที่สองว่ า, าลักษณะของสติสติกับใจอันเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ใจก็คือใจมันมีหน้าที่คิดก็คิดไปแต่ว่าสติมันเป็นอะไร สติมันเป็นคุณธรรมสําหรับกํากับใจสติมันเป็นคุณธรรมสําหรับกํากับใจนะเกิดขึ้นพร้อมกับใจแต่ว่ามันกํากับใจอยู่ตลอดเวลาใช่สติคือคุณธรรมอย่างหนึ่งซึ่งคอยกระตุ้นเตือนให้คิดถึงตัวเองระลึกถึงตัวเองได้ไม่เผลอไม่เผลอตัวที่นี้ลักษณะของสติเนี่ย ถ้าจะแยกออกมาพอจะแยกได้อย่างนี้คือมีลักษณะว่าประการที่หนึ่งเนี่ยไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปบางคนนั่งใจลอยไปได้ทั้งวันยิ่งไปมีความหลังอะไรเข้ามาสักอย่างทำท่าจะตายใจลอยข้ามทวีปไปเลย <c oughs> ลักษณะของสติหนึ่งไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอย อันที่สองไม่ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเรื่อยเปื่อยปไอ้พวกเมากัาชสูบเออสูบกราชสูบฟินเข้า ก, กับปล่อยอารมณ์เรื่อยไปไอ้ยังนั้นก็ไม่ใช่บางคนก็นักร้องนักดํานักแสดงกับปล่อยอารมณ์เรื่อยไปไม่ใช่อย่างนั้นขาดสติซะแล้วนะลักษณะของสติอันที่1ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอย อันที่สองไม่ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเรื่อยเปืือยไปอันที่สามไม่ปล่อยความนึกคิดฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆแต่ว่าอันที่สี่คอยกระตุ้นเตือนไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมตัวอยู่เสมอเจ้านี่คือสิ่งที่เราเรียกกันว่ า, าสติมันมีลักษณะเด่นชัดอยู่อย่างนี้ที่นี้ก็เลยต้องมาถึงหัวข้อที่สาม ค่อยๆแยกดูนะหน้าที่ของสติมันมีหน้าที่ไอ้สิ่งที่มีมาจำกับใจเนี่ยมันมีหน้าที่ถ้ามันไม่มีหน้าที่มันกํำกับไม่ได้หน้าที่ของสติที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยอันที่หนึ่งเป็นตัวการทำให้ระมัดระวังตัว พอสติมันเกิดขึ้นแล้วก็มันทำให้ระมัดระวังตัวป้องกันไม่ให้พลาดตกไปในทางที่ชั่วที่เสื่อมได้เขาใช้อีกคำที่เมาวก่อนนัตมาก็ใช้พูดง่ายๆเอาไว้ที่ใช้คำว่าระวงสิ่งที่ควรระวงแล้วก็ระวังป้องกันภัยที่จะมาถึงนั้นคือลักษณะของสติเนี่ย ที่ว่ามีความระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาคือมันจะไปถึงไหนก็ตามมันจะอยู่ในอิริยาบทอะไรก็ตามมันมีลักษณะมันระแวงสิ่งที่น่าระแวงยกตัวอย่างวันนี้จะออกจากบ้านเสียงฟ้าร้องครุ่นครุ่นึมไม่แน่นาฝนอาจจะตกนะระแวงและมันน่าระแวงนี้ ถ้าฝนมันอาจจะตกนะเราแวงในสิ่งที่น่าระแวงแล้วระวังยังไงระวังป้องกันภัยที่จะมาถึงนั้นทำไงล่ะติดร่มไปสักผืนก็ยังดีติดเสื้อฝนไปสักตัวก็ยังดีมันไม่ได้หนักหนาอะไรใส่กระเป๋าไปหน่อยเดียวถ้ามันตกมาจริงๆก็ก็มีร่มหรือมีเสื้อเสื้อกันฝนกันละถ้ามันไม่ตกไม่ตกก็แล้วไปเอ๊ะ เราแวงในสิ่งที่ควรเราแวงเป็นไงเอเห็นเวียดนามเตรียมรถถังไว้ตั้งเยอะตั้งแต่ต อ, อปลายฤดูฝนได้เห็นมันเตรียมไว้เราแวงนะลวว่า ม, มันชักจะไม่ดีนะแล้งนี้ท่าจะไม่ดีนะก็เลยระวังระวังยังไงเราก็เตรียมปืนใหญ่ไปรอท่าอยู่ชายแดนเหมือนกันถ้าหมาก็ยิงกันละนี่ชาวโลก ระวงในสิ่งที่ควรระแวงแล้วระวังป้องกันภัยในสิ่งที่จะมาถึงนั้นแเออระวงว่าพอไปเห็นใครเขาแม่งไอ้เพื่อนรุ่นเดียวกับเรานะว่าที่จริงมันแข็งแรงกว่าเราอีกเปุ๊บปั๊บมันป่วยล้มป่วยลงไปนี่อาชีวาถามหาได้เออชักระวงแล้วว่าเรานี่มันก็ร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงกว่มานหรอกนะ นี่ถ้าอาหิวาระบาดไล้ๆอย่างเดี๋ยวถึงเรามาไหลก็ไม่รู้อย่าอย่างนั้นเลยก็ระวังป้องกันภัยในการเอ้าเออฉีดป้องกันวัคซีนป้องกันอหิวาเสียหรือไหมงั้นอาหารที่มันไอหมักไอดองอะไรนั้นจะไปกินมาเลยระวังตัวแจอเนี่ยนี่คือลักษณะของสติว่ามันมีหน้าที่ว่าทําให้เกิดความระแวงสิ่งที่ควรระแวงแล้วก็ เกิดความระวังในระวังป้องกันภายในสิ่งที่จะมาถึงนั้นด้วยในสิ่งที่เราเระแวงเอาไว้นั้นอันที่สองออหน้าที่ของสติมันทำหน้าที่ยับยั้งด้วยทำหน้าที่ยับยั้งตัวเราเมื่อคราวที่จะไปเพลิดเพลินในในสิ่งที่ไม่ควรเพลิดเพลิน เช่นไปเพลิดเพลินหลงรูปหลงรสหลงกลิ่นหลงเสียงหลงสัมผัสอะไรแต่อะไรนี่ยหรือลุ่มหลงตกไปในทางชั่วทางเสื่อมต่างๆยกตัวอย่างอาตมาเองเอมีช่วงหนึ่งอยู่ในมหาวิยลาลัยกินเหล้าเมายาเฮฮากรเพื่อนไปแต่ว่าสติมันก็ที่ฝึกเอาไว้ข้ามภพข้ามชาติมาดีแล้วในชาตินี้ก็ฝึกอยู่เรื่อยๆ รับปากกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าถ้าจะไปอยู่ถึงทิมไหนบ้านใดก็ตามจะสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเพราะฉะนั้นมาอยู่มหาวิทยาลัยเขาจะกินเหล้าเมายาเมายังไงก็ตามก่อนนอนขอสวดมนต์สักจบหนึ่งก่อนอเออกลับมาเมามาตีสองตีสามก็ต้องสวดมนต์ให้จบก่อนสวดมนต์ไม่จบไม่ยอมนอนอหนักเข้าหนักเข้ามันก็เลยมาหยุดถามตัวเอง นี่จะเอาจะเอามนลหรือจะเอาเหล้านะที่สุดเอามนตเถอนะเอามนลงั้นก็เลิกเหล้าก็เลิกกินได้มาตลอดมาอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นหน้าที่ของอสติในกรณนีนี้คือเป็นตัวยับยั้งนะทำหน้าที่เป็นเป็นดิสเบรกนั่นเอง <c oughs> เป็นดิสเบรกเลยว่าเอ้ยเอ้ยอย่าถลําลงไปนะไอเรื่องนี้ไม่ควรถลํมเลยใช่ หน้าที่อันที่สามหน้าที่อันที่สามของสติคือทําหน้าที่กระตุ้นเตือนทําหน้าที่กระตุ้นเตือนไม่ให้แช่ไม่ให้เชอนพูดง่ายๆอีตอนขี้เกียจนอนหลับทับสิตก็ต้องกระตุ้นเตือนกันให้ตื่นขึ้นมาไปทําความดีไอ้โลกบิดติดเสื่องานการเบื่อข้าวกินได้เลิกทีไปลุกอมืมันต้องอย่าง ทำหน้าที่กระตุ้นเตือนเอา้าอันที่สี่ทำหน้าที่เร่งรา้าด้วยเตือนให้มันตื่นขึ้นมาแล้วไปทําความดีเหอะก็ทํำเรื่อยๆเชยๆเรื่อยๆเชยๆไม่ได้เร่งเขา้านี่อายุเข้ามาสามสิบเข้าไปแล้วมาชักช้าอยู่ยังไงเยอะด้แก่ตายแล้วไม่ได้อะไรติดตัวไปหรอกเว้ยสามสิบดิชันยังสาวอยู่ดิชันแต่ผมยังหนุ่มเพิ่งสามสิบหนุ่มอะไรกัน สามสิบเข้าไปแล้วแกงลักเข้าไปแล้วไม่ได้เรื่องแล้วเป็นสาวอะไรกันสามสิบเข้าไปแล้วอีกไม่กี่วันก็เป็นยายพะโลกไปแล้วอีกไม่กี่วันก็จะเป็นยายแรงทึงไปแล้วอีกไม่กี่วันก็ยายแรงไม่อยากจะทึงซะอีกหละเออมันก็ไปของมันอย่างนั้นช้าไม่ได้แล้วมันต้องเร่งเราค่ะสติมันจะเป็นตัวตื่นอันกี่ห้า สติทาหน้าที่เป็นตัวทำให้เกิดความสำนึกในหน้าที่อยู่เสมอว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำมันรู้เองเออเมื่อตอนรุ่นรุ่นสาวสาวเออมันจะใช้สีชูดชาดยังไงก็ไม่มีใครว่ากันกับมีความรู้สึกเออมันน่ารักนี่แต่ตอนนี้สี่สิบนนั้นามาททำไอเสื้อชูดชูดชาด ใส่เข้าไปยังไงแก่แรดมาป่านนี้เราไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วอืมนี่เราก็เป็นผู้ใหญ่หัวงอกมาขนาดนี้แล้วโมดิสเครื่องดิสโก้ยังไงไม่เอาไม่ได้มันรู้มันเตือนคือทนะําหน้าที่ให้เกิดความเป็นตัวทําให้เกิดความสํานึกในหน้าที่อยู่เสมอตระหนักถึงสิ่งที่ควรทําไม่ควรทําแล้วก็ไอสิ่งที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทํา ตระหนักหมดอันที่หเป็นตัวทำให้เกิดความละเอียดรอบครอบเดเป็นตัวทำให้เกิดความละเอียดรอบครอบในการงานต่างๆซึ่งของเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการฝึกเหมือนกันยกตัวอย่างเมื่อก่อนนี้สมัยยังทำงานอยู่ที่ได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชาตลอดมาก็คือตั้งแต่ไหนแต่ไร เวลาเลิกงานมันก็หลังจากเราเองก็ทำงานมาเยอะแยะลูกน้องก็เยอะเนี่ยมันก็จะรู้เองสติมันจะเตือนเองเป็นไงล่ะอืมตามธรรมดาทางงานมันเลิกสี่โมงครึ่งแล้วก็อยากจะรู้ว่าใครสะเพร่าหรือใครเรียบร้อยไม่เรียบร้อยขนาดไหนแล้วก็ไปเดินตรวจดูเชียวประมาณสัก3า0โมงครึ่งใกล้ๆจะสี่โมงนีไปเดินตรวจดูว่า งานอันไหนแววมันท่าจะไม่เสร็จไปเดินตรวจเจอแล้วไม่ต้องบอกใครติ๊กติ๊ตเอาไว้ในใจพออีกสิบนาทีสิบห้านาทีจะหมดเวลาตรงไปทีของนั้นแล่ละแล้วจะเห็นเลยว่าใครหมกงานหรือไม่หมกงานใครเป็นคนละเอียดใครเป็นคนสะเพร่าจะเห็นกันตอนนั้นเองไอพวกคนสะเพราเลอะมันจะเลิกงานแล้วกว็ไอโ น, นอันนี้ก็ ยัดใส่ิ้่ชักส่งไปเก็บหมกส่งไปหรือถ้าทาข้าวปลาอาหารก็คุณภาพไม่ระวังแล้วชุยชุยชวยส่งทรงไปเลย <S 2> <S 2> เป็นช่างฟิตเป็นช่างอ็อกช่างเครื่องก็เนิร์กน็อตขันปีนเกิงปีนเกลียวส่งไปเลย <S <S <S นี่เป็นอย่างนี้จะเห็นก็อีตอนนั้นแหะอีตอนกลางวันยังมีเวลาอยู่มา ก, ก็เรียบร้อยโดยกันทุกคนแ่ะแต่ว่า พอใกล้จะหมดเวลาละใครอยากใครละเอียดจะไปเจอกันตอนนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเช็คงานแล้วก็หน้าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงอีกสี่ิบห้านาทีจะหมดเวลางานไปเดินดูเที่ยวหนึ่งพอไปเจออะไรน่าสงสัยว่ามันจะไม่เสร็จแล้วก็อีกสิบห้านาทีไปดูอีกสิห้านาทีจะเลิกงานไปดูว่าทันทีทุกทีแล้วจับได้นี่พอประสบงานประสบการณ์มากเข้าแล้วเออสติมันก็จะเกิดอย่าง น, นี้ยังไม่พอ ก่อนจะเลิกงานอย่างเงี้ยอีกสิบห้านาทีจะเลิกงานเดินดูเส้ให้ทั่วทั่วเสร็จแล้วว่ดเรียบร้อยแล้วอย่าไว้ใจเชื่อก็เชื่อที่อจอย่าไปไว้ใจมันไม่เอาหมดเวลางานแล้วก็เอ่ะหมดก็หมดแต่อย่าเพิ่งกลับนั่งกินน้ําชาสักถ้วยสองถ้วยก่อนแล้วไปเดินดูอีกสักเที่ยงเดี๋ยวก็เจอข้อบกพร่องอทั้งของตัวเองทั้งของผู้อื่นแ่ะเพราะเราไม่รีบไม่เร่งซะแล้ว ไปเดินอีกเที่ยเดี๋ยวก็เจอทุกวันนี่ก็ทํากันอยู่อย่างนี้ยิ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านจะเอาว่าคุณยายนี่ท่านก็ทําอย่างนี้แหละท่านออกมาตรวจงานแต่ละทีก็ไอ้เวลาเหมาะๆอย่างนี้ทุกทีเลยใครจะได้ไปหมกงานอะไรยังไว้เที่ยงไม่ต้องมาแม้แต่เสือม้วนไม่ดีท่านก็รู้แล้วรู้ด้วยว่าใครม้วนอืมสารพัดท่านมองงานไปเที่ยงแล้วเดี๋ยว ท่านจะกาหนดเอาไว้ในใจแล้วอะไรมันจะเสียจะหายเพราะว่าความสะพร้าวของคนพอถึงเวลาปั๊บท่านออกมายืนดูไอ้กงจุดนั้นแล้วมันก็เลยทำให้งานไม่เสียไม่หายไปพวกเราลองเอาไปใช้ดูนีน่ก็เป็นหน้าที่ของสติอีกอันหนึ่งที่นี้จากคำเออจากลักษณะจากหน้าที่ของสติตามที่กล่าวมานี่เองโบราณ เขาก็เลยตั้งอุปมาหรือเปรียบเทียบไว้ลองดูคำเปรียบเทียบดูเกี่ยวกับเรื่องสติท่านให้คำเปรียบเทียบเอาไว้บอกว่าสติเนี่ยมันเหมือนเสาหลักมันเหมือนเสาหลักหลักมันมีลักษณะอยู่ว่าปักลงไปที่ไหนมันก็แน่นที่นั่นปักที่ไหนก็ไม่โยกไม่คลอนสติมันมีลักษณะเหมือนเสาหลักคือมันปักแน่นในอารมณ์ตรองในอารมณ์เรื่องไหน เล่นเรื่องอะไรเรากระตรองอยู่นั่นนะคนกว่าจะแตกจะหักไปข้างหนึ่งจนกว่าจะทะลุโปร่ปรงไปข้างหนึ่งนั่นแหละสติของเราสติมีลักษณะเหมือนเสาหลักคือปักแน่นในอารมณ์หรือสติอีกกรณีหนึ่งมีลักษณะเหมือนนายประตู เ, ะเหมือนนายประตูะท่านบอกว่านายประตูในที่นี้ ก็เอาอะไรอย่างบ้านใหญ่ๆ ห, ห, หรือตามวังน่ะเขาก็จะมีนายประตูตใครจะพูดง่ายๆทหารยามนั่นเองทหารยามหน้าหน้าบ้านหน้าคฤหฮาร์าดร่นหน้าวังไอ้จะทหารยามเนี่ยมันจะดูเชียวว่าเอ๊ไอ้นี่คนแปลกหน้าหรือคนคุ้นเคยไอ้คนขึ้นคุ้นเคยก็ปล่อยไปไอ้แปลกหน้านี่ต้องซักก่อนว่าเอ๊จ้าเป็นใครกันเนี่ยจะมาทําไมเนี่ย ซักแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้ร้าวก่อไลยอย่ไม่ให้เข้าแต่ซักแล้วมีเหตุมีผลอ้าวงั้นก็เข้าไปสติมีลักษณะเหมือนกับ น, นายประตูอย่างเนี้ยคือเมื่อมีอะไรจะเกิดขึ้นมาก็สำรวจก่อนอควรควรปล่อยผ่านหมเนี่ยหรือไม่ควรปล่อยผ่านาควรจะแก้ไขหรือควรจะปรับปรุงยังไงห ร, หรือควรจะโละทิ้งหมดเลยนี่สติ มีลักษณะเหมือนนายประตูอย่างนี้อีกอันนึ่งท่านบอกว่าสติเหมือนเหมือนขุนคลังท่านบอกว่าขุนคลังหรือเหรันยิกเหรันยิกเราไม่ต้องจู้จี้จุกจิกขุนคลังนี่ยต้องจู้จี้จุกจิกได้รับรายจ่ายสลึงเดียยังไม่ยอมให้พลาดเดี๋ยวบาลานซ์มันเสียเราจะเสียชื่อใครจะจ่ายเท่าไหร่ดู สลึงหนึ่งก็ก็ต้องลงบัญชีกันไม่งั้นเดี๋ยวเสียหายรับมาเท่าไหร่ก็ต้องลงให้ดีรายรับรายจ่ายต้องให้สมดุลกันอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นไม่ยอมนี่คือลักษณะของเหรัญยิกหรือลักษณะของขุนคลังที่ดีอย่างตามธนาคารต่างๆเนี่ยเด็กที่นี่ทำธน า, าคารอยู่สองสาคนด้วยกันบางทีเที่ยงคืนถึงได้กลับมาถามมาทาไมเนี่ยโอ วันนี้เพื่อนเขาทำบัญชีพลาดไปบาลานซ์มันมันเกินมาสลึงหนึ่งปาท่เกินมาสลึงหนึ่งก็ช่างหัวมันประรยนี่แบบเราชาวบ้านนักบัญชีไม่ใช่เกินมาสลึงหนึ่งก็แสดงว่ามันจะต้องมีข้อผิดพลาดก็ต้องเช็คจนเจอบอกเช็คตั้งแต่ามโมงเย็นไปเจอเอาห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนเช็คเจอแล้วเนี่ย ถ้าถามถึงค่าแรงที่ค่าใช้จ่ายที่ใช้ลงไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ตั้งเ็ดแคนเออทำงานตั้งแต่สามโมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่าแรงไม่รู้เท่าไร่แพงกว่าไอ้สลึงหนึ่งที่มันเกินมาตั้งเยอะดูแล้วเหมือนไม่คุ้มแต่ว่ามันคุ้มมันต้องทําไม่งั้นความผิดพลาดมันจะพอกมากเข้ามากเข้าเป็นดินพอกหางหมูไอ้ดินพอกหางหมูก็มีสองอย่าง ถ้าถ้าไม่หางหมูขาดก็ไม่หางหมูขาดนะทวงถ้าหางหมูขาดไม่งั้นดินก็แตกเละไม่ดีทั้งคู่หละเพราะฉะนั้นต้องเช็คกันเสร็จแล้วอีกอุ ป, ปมาหนึ่งท่านบอกกาสติเหมือนอย่าไปหางเสือเรือเรือจะไปซ้ายนจะไปขวามันจะชนต่อหรือเกยตื้นหรือหรือไปถูก ไปตลอดลอดฟังไม่ล้มไม่ไม่แต่แคงก็ก็เพราะหางเสือเป็นตัวคัดเช่นกันสติละมันเป็นตัวตัวควบคุมให้เรารู้จักเลือกเชีไอ้นี่ควรไม่ควรไอ้นี่เอาใหม่เอาไอ้นี่จะหยุดอยู่แค่นี้หรือจะลุกต่อไปสติจะเป็นตัวบอกข้างมันเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติเอมันเหมือนอย่างหางเสือนะทีนี้ หัวข้อที่หก็ประโยชน์ของสติสติมีประโยชน์ยังไง้อันที่หนึ่งใช้ควบคุมรักษาสภาพจิตเอาไว้ให้อยู่ในภาวะที่ต้องการโดยตรวจตราความคิดเรื่องรับสิ่งที่ต้องการแล้วก็กันออกไปทงสิ่งที่ไม่ต้องการนี่ประโยชน์เข้ามาอันที่สอง พอใครฝึกสติดีแล้วจะเข้าใจมากเลยอันที่สองนี่ทําให้ร่างกายแล้วก็จิตใจอยู่อยู่ในสภาพเป็นตัวของมันเองคือโปร่งเบาคนเรานี่แปลกนะยิ่งมีปัญหามากๆรู้สึกตัวนี่มันหนักอึ้งเลยอย่างมัหนักสักตันสองตันอย่างนั้นนะ่ะยิ่งมีเรื่องเครียดๆมากเนี่เออไอ้นอนก็จะล้มละลาย ลูกก็ป่วยสามีก็ไปเจ้าชู้อยู่ที่โ น, น่นอไอกิจการทางด้านนี้ก็ไปรอดไม่รอดมันมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันหนักอึง้งเหมือ น, นกับโลกทั้งโลกเนี่ยมันอยู่บนบ่าเราตัวเราแทบจะระเบิดออกมามาไหลก็ไม่รู้มันถูกอัดก็ปี้เข้าไปอัดเข้าไปแต่ว่าตรงกันข้าม ง, งานก็ทําเหมือนเดิมสภาวะต่างๆก็เป็นอย่างนั้นแต่มีสติดี มีสติดีของเหล่านี้กดทับไม่ได้เลยกดไม่ได้เออลูกมันป่วยก็ใช่ก็ธรรมดาแม่มันก็ยังป่วยเลยเออพ ร, พ, พระพุทธเจ้าเองถึงเวลาก็ป่วยป่วยก็รักษากันไปนี่แล้วก็ส่งไปให้หมอที่ดีที่สุดแล้วถ้ามันจะตายคือตายใครจะไปทํำยังไงเรื่องอะไรเราจะไปตายด้วยกับมันเล่ารักก็รักก็แหละ เอาไอ้สามีก็ไปเจ้าชู้อยู่ที่นูน้น ม, มีที่ไหนผู้ชายไม่ไเจ้าชู้มันก็บไอ้สำเพอานี้ทางนั้นนั่นแหละเราไม่โปรงไม่ตกไปชอบเพราะเองเอ๊ะ ม, มันเจ้าชู้ก็เจ้าชูไปเถอะหรืใครคว้าเอาไปได้เอ้ยช่วยเอาไปทีฉันจะได้หมดภาระไปเออจบไปได้ก็ไปเลยไปไปไหนก็หมดเวรหมดกรรมสะทิงเพราะโปรงตกเชนนี้ห้วยตัวเบายี่จะลอยได้ ส่วนมากไม่อย่างนั้นยังไงแม่ไม่ยอม <c oughs> เป็นตายไม่ยอมเฮ อ, อไอเพราะไม่ยอมแล้วนักอึ้งกันอยู่นั่นแหะเอาไอกิจการมันจะล้มละลายออืก็เศรษฐกิจทั่วไปขณะนี้มันอย่างนี้นี่เอเอเราก็ได้กันเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วพอประทังประทังไปได้แต่อีโนนมันล้มละลายล้มก็ม ล, ม ล, มล้มไป พอมีประคองประคองกินอยู่นี่ก็เมื่อไรสภาพเศรษฐกิจมันดีก็เอาข้าไปกู้สถานะการณ์ยังถึงไหมถ้ากู้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้จะไปว่าอะไรกันอืมคิดถ้อย่างนี้หมันก็จบเรื่องมันจะไม่ได้หนักอึ้งอย่างที่ที่เรากลัวกันละทีเนี่เขากลัวว่าเมืองไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์มันจะมันรื้อวัดมันจะอู้อื่ ก็ตั้งใจเทศอย่างนี้แล้วมันจะรื้ววัดรื้วก็ลื้อไปเถอะจะได้ไม่ต้องดูแลถ้าทีงเหนื่อยเหมือนกันเออจบกันไปอืมตีประเด็นจะให้มันลงแล้วมันจะจบเร็วแล้วไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปผูกดวงด้วยไอ้พวกที่ไปผูกดวงนี่แสดงว่าไอ้พวกนี้สติไม่ดีเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวไปหาเจ้าพ่อมั่งแหละเดี๋ยวไปหาหมอดูมั่งแหละ เดี๋ยวก็ไปรดน้ำมนต์มั่งละ่ะไอพวกนี้สติเสียทางนั้นจับหลักพุทธศาสนาไม่ได้เนี่ยไอเจ้าพวกนี้หลักพุทธศาสนามีอย่างนี้ทำงานวันนี้ทำทุกสิ่งวันนี้ให้ดีที่สุดทุกวันนะ่ะทำไปให้มันดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้มันจะเป็นไงก็ช่างหัวมันประไรเล่าก็ทำดีแล้วอะ ถ้าจะแถมเป็นภาษาอังกฤษสักหน่อยก็บอกว่า whatever will be will be <laughs> ทำวันนี้ดีที่สุดแล้วถ้ามันอยากจะเป็นงี้ก็ให้มันเป็นไปเถอะทานเราก็ทำแล้วตื่นเช้าขึ้นมานี่หุงข้าวเสร็จทำกับข้าวเสร็จบาทก็ตักแล้วทำทานกับพระก็ทำแล้วคุณพ่อคุณแม่พระในบ้านเราก็คือคุณพ่อคุณแม่เราก็ดูเรียบร้อยแล้ว ไอ้ลูกไอ้เจ่าก็ให้มันกินเรียบร้อยแล้วก็จะออกจากบ้านไปทำงานเนี่ยศีลก็ตั้งใจรักษาแล้วตลอดระยะเวลาที่ทำงานนี่ไม่ยอมให้ศีลบกพร่องเลยก่อนนอนก็มาสวดมนต์ไปจบแล้วก็นั่งสมาธิแล้วถ้าคืนนี้นอนหลับไปฟ้ามจะผ่าตายช่างหัวมันเถอะจบมันจะเบากายเบาใจของมันเองนะ คนที่มีสติดีอย่างนี้มันจะเบากายอย่างเงี้ยถึงเวลานอนนอนไอเอามือกายหน้าผากไม่มีบางคนไม่อย่างงั้นปลงไม่ตกมือกายก็แล้วเอาไอ้นั่นมาช่วยกายเข้าไปอีกออมือกายน้อยไปนะเท้ามาช่วยกายซะอีกคนปลงไม่ตกถ้าปลงตกแล้วไม่มีอะไรเลยก็มันจะไปมีอะไรโลกนี้มันไม่มีอะไร ไม่มีจริงๆเคยถามโยมพ่อเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วโยมตอนนั้นท่านอายุเจ7 7สิบหกเจ็ดสิบเจ็ดโยมเจ็ดสิบกว่าปีของโยมนี่ได้อะไรมนาะท่านก็นั่งเงียบไปพักพูดแบบคนลงตกมันจะไปได้อะไรก็ได้ไอ้ดื้อมาสามสี่คนสแสดงว่าแต่ละคนนี่ดื้อทั้งนั้นเลย มันก็ได้มันสามสี่ไอ้ดือด้อๆมัสามสี่คนจะไปเอาอะไรกันนักกันนาะเพราะมันไม่มีอะไรจะให้เอาคนที่มีสติจะได้ประโยชน์ในกรงที่ว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพของตัวมันเองมันจะไม่มีความลำเอียงลำเอียงก็ไม่มีคนส่วนมากเนี่ยที่เป็นทุกข์อยู่ขณะ น, นี้ทุกข์เพราะลำเอียงก็ใช้ตั้งเยอะอื ลำเอียงเนี่ยยังไงมันลูกเหลานะเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าโรงเรียนไอ้ดีย่มเลยจะฆ่าแป๊ะเจี๊ยเก่าเจี๊ยทลายก็เอาไปเถอะเอ้าออลำเอียงเพราะรักไอ้บางคนก็ลำลำเอียงเพราะชังไอ้นี่ถึงฝีมือดียังไงก็ตามแต่ไม่จะไม่ชอบขี้หน้ามันน้อยน่ะถือว่าฝีมือดีจะซูคกเราสักหน่อยไม่ยอมกดเอาไว้ แล้วก็พยายามดันไอ้คนไม่ได้เรื่องขึ้นมาแต่ว่ามันยอมหรอกดันมันขึ้นมาดันขึ้นมาแล้วมันก็ไปไม่รอดมันลำเอียงแต่ช่างมันเอียงไปไม่รอดหรอกตัดความลำเอียงซชมันก็เกณฑ์ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวกลัวเขาจะบีบเอาก็เลยลำเอียงไปผวาไปแต่คนที่มีสติดีแล้วไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอย่างที่บอกนั่นแหละคือ เราทำวันนี้ดีที่สุดแล้วศีลก็ไม่เสียธรรมะก็ไม่เสียขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นก็ไปเถอะจบตายก็ตายไปรู้แล้วรู้หลอดไปมันมีนิทาน <c oughs> หลวงตาองค์นะึงมีพระอาจารย์รูปหนะึ่งทันวาอย่างนี้ แต่ก่อนนี้ท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่ตั้งใจเทศตั้งใจสอนอย่างดีเช่ไแต่ต่อมาต่อมาเจอไอ้ลูกศิษย์ดือด้อๆฉนั้นห้ามมันก็ไม่เชื่อห้ามมันก็ไม่ฟังมีอยู่วันหนึ่งไอ้ลูกศิษย์คนหนึ่งไอ้ตัวดือ้อนี่แหละซึ่งท่านเชยห้ามสารพัดห้ามแล้วมันก็ไม่ฟังเนี่ยมันก็มาบอกหลวงพ่อวันนี้ผมจะไปปล้นเขานะเออดี <c oughs> คือหลังจากเอื้อมแล้วพอ ร, รู้ว่าห้ามมันก็ไม่ฟังเออดีอีกไมก่กี่วันมีคนมาบอกว่าหลวงพ่อไอ้นันติดตารางแนละ้วเออดี <c oughs> ไม่รู้จะพูดว่ายเออดีอยู่มาหลายปีไอ้นันออกจะพ้นโทษออกมาจากตารางหลวงพ่อรู้ไม้มผมมีดมาทําไม จะไปรู้งหรือวะจะเอามาฆ่าหลวงพ่อสิหลวงพ่อบอกใร้บบอกว่าเออดีผมเลยไปปล้นเขา <c oughs> น, นี่ติดตารางซะหลายตีนะหลวงพ่อว่าไงเออดี <c oughs> อกูว่าแกเยอะและวะ้วว่ะลุกก็โ๊ยนั่งก็โ๊ยเมื่อยเต็มทีตายซะก็ดี <c oughs> ไอ้ลูกศิษย์ไม่รู้ทำไงก็เลยโยนมีดทิ้งไปพราท่านปลงท่านแล้วนะห้ามไอตอนเจ้าดีอยู่ห้ามมันก็ไม่เชื่อ ติดคุกติดตารางแล้วออก็สมไก่การรมดีเมื่อการสมไก่การรมมันน่าจะอพระเตือนดีๆมันไม่รู้เรื่องก็ให้นั่นแหละให้พัสดีเลือนจาําเขาเอาตะพดมัง่งเอาโซ่มั่งเอาตรวนมั่งเตือนมันออกจากตารางมาแล้วโซ่ก็ดีพัส ด, ดีก็ดีก็เตือนมันไม่ได้มันก็จะมาฆ่าอาจารย์หนึ่งเออดีเหมืออกันอืมท่านดีลูกเดียวโปร่งตกไป แต่พวกเราจะถึงได้ยังนั้นเลยนะที่นี้ประโยชน์อันที่สามของสติคือทำให้ความคิดและความรู้ทำให้ความคิดแล้วก็การรับรู้ขยายออกไปไม่มีขอบเขตจำกัดอันนี้อีกเช่นกันพอคนที่ปลงอะไรตกแล้วเนี่ยเป็น ใจมันเป็นอิสระแล้วมันไม่จมมันไม่ลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยความคิดเห็นแก่ตัวเนี่ยมันหมดไปแล้วก็สภาพใจเนี่ยมันจะขยายกว้างออกไปมันจะมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยมากขึ้นสติปัญญาที่มันมีอยู่เนี่ยมันขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเลย ตัวเองนั่งอยู่นี่ไอความที่มันไม่มีห่วงไม่มีกังวละจะแผ่เมตตานี่สามารถแผ่ไปได้ตลอดโลกแผ่ได้ใจจดนิ่ง